ฝากกระแสน้ําในท้องทะเลซึ่งเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงการมีอัลลอฮ์บท น, นี้ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวของนบีบางท่านเพื่อเป็นการปลอบใจท่านรอสุลุ ล, ลลอสลลอฮุอะเลาะวะสัลสลัมจากการที่ท่านได้ประสบกับการทําร้ายจากพวกมุสลิมโดยกล่าวถึงเรื่องของดามีนัวนบีฮูดนบีมูซาและเรื่องราวของมรารยามผู้บริสุทธิ์และบุตรของนางคือนบีอีสซา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 ด้วยพระนามของ Allah, อัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอแน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาได้ประสบความสาเร็จแล้วบรรดาผู้ที่สารวมตัว ในเวลาละหมาดของพวกเขา ال และบรรดาผู้ที่ผิถิพิลังให้เรื่องไร้สาระาต่างๆอและบรรดาผู้ที่ทําการบริจาค zakat และบรรดาผู้รักษาทวารเบา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 َالَّذِينَهُمْ และบรรดาผู้ที่รักษาการละหมาดของพวกเขาเอาไวช้ชนเหล่านั้นแหละคือบรรดาทายาท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 แล้วเราทำให้เขามนุษย์เป็นเชื้ออาสุจิอยู่ในที่พักอันมั่นคงคือมด ล, ลูกนนลก แล้วเราได้ทำให้เชื้ออสุจิเป็นก้อนเลือดแล้วเราได้ทำก้อนเลือด ก, กลายเป็นก้อนเนื้อแล้วเราได้ทำให้ก้อนเนื้อกลายเป็นกระดูกแล้วเราได้หุ้มกระดูกด้วยเนือ้อแล้วเราได้เป่าวิญญาณให้เขา กลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่งดังนั้นอัลลอ์ทรงจำเริญยิ่งผู้ทรงเป็นเลิศแห่งผู้สร้างทั้งหลายมม um d d หลังจากนั้นพวกเจ้าก็ต้องตายอย่างแน่นอนมม um หลังจากนั้นพวกเจ้าจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นในวันเกียมต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 ب ب และเราได้ทำให้มันเป็นต้นไม้ไซโตนที่ภูเขาซีนายซึ่งมันได้ผลิตออกมาเป็นน้ำมันและน้ำแกนสำหรับผู้บริโภคอินละกุมฟิลแอนงามิลอิบรหนสกคิ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 بشر ุมมิ ثل ุ่มยูรีดูเอียล علن ุ่ ولوشاءاللهلازلملائكت มม سمعنابهذا มา سمعنابهذافيأباءناالأولين. เลวนาของบรร ด, ดาผู้ปฏิเสธศรัทธานในกลุ่มชนของเขาก็ได้กล่าวขึ้นว่า